พระองค์นั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธะละทุกิโกปามาสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่สิบสามข้อที่175อุปมาว่าด้วยนางนกมูลไถมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของชาวอังคุตระปะ ชื อ, อาปณะแคว้นอังคุตราปะในเวลาเช้าทรงครองสบงหรือบาทและจีวรเสด็จไปบิณฑบาดยังอาปณะนิคมหลังจากกลับจากบินตบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อหลีกเล่ น, นเวลากลางวันได้ประทับนั่งณนะที่โคนไม้แห่งหนึ่ง แม้ท่านพระอุตายีก็ได้ครองสบงถือบาทรและชีบรเข้าไปบินธบัตยังอาปณ น, นิคมหลังจากบิณธบาติฉันอาหารเรียบร้อยแล้วก็วไปยังราวป่าอีกแห่งหนึ่งเพื่อพักหลีกเล่นในเวลากลางวันครั้นเมื่อท่านพระอุทายีพักหลีกเล่นอยู่ในที่นั้นได้เกิดความคิดขึ้นอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงกำจัดธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากให้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงกำจัดอกุศลธรรมเป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงทำกุศลธรรมเป็นอันมาก ให้เราทั้งหลายดังนี้แล้วในเวลาเย็นท่านพระอุตายีเอาจากที่ล้าหลีกเร้นก็ไปเฝ้ากระผู้มีพระภาคสิ่งที่ประทับแล้วได้กราบทูลเรื่องราวที่ตนคิดนั้นและได้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อก่อนถ้าพระองค์เคยได้ฉันอาหารทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า และเวลาหลังเที่ยงก็มีในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเรียกพิสุทิ์ทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าพิสุทิ์ทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายจงเลิกการฉันโภชนะในเวลาวิการกลางวันคือหลังเที่ยงวันเถิดดังนี้ข้าพระองค์นั้นมีความน้อยใจมีความเสียใจว่าข้พระร้ี่รงนั้นมีความน้อยใจมีความเสียใจว่าขระงั้ีายงั้ะงค์าย ผู้มีศัทธาจะถวายของควรเคี่ยวควรฉันอันประนีตแม้ใดแก่เราทั้งหลายในเวลาหลังเที่ยงพระผู้มีพระภาครับสั่งให้เราทั้งหลายเลิกฉันอาหารในเวลาหลังเที่ยงวันแม้นั้นเสร็แล้วดังนี้ขาพระองค์ทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาค จึงยอมเลิกฉันอาหารในเวลาวิการกลางวันคือหลังเที่ยงนั้นเสียด้วยอาการอย่างนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงฉันในเวลาเย็นและเวลาเช้าก็ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกพิสุท์ทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าพิสุท์ทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเลิกฉันโภชนะในเวลาวิการกลางคืน คือตอนเย็นเสียเถิดหดังนี้ข้าพรุ่งนั้นก็มีความน้อยใจมีความเสียใจว่าพระผู้มีพระภาครับสั่งให้เราเลิกฉันอาหารที่นับว่าบริหีตกว่าบรรดาอาหารในมื้อทั้งสองนี้เสียข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วบุรุษคนหนึ่งได้ของที่ควรจะแกง ในเวลากลางวันจึงบอกภรรยายอย่างนี้ว่าเอาเถอะเธอจงเก็บสิ่งนี้ไว้เราทั้งหมดจะประิโภคพร้อมกันในเวลาเย็นอะไรอะไร ท, ทั้งหมดที่จะปรุงกินย่อมมีรสอร่อยในเวลากลางคืนเวลากลางวันมีรสไม่อร่อยอย่างนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความรักความเคารพความละอาย และความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงยอมเลิกฉันอาหารในเวลาวิการกลางคืนคือมื้อเย็นนั้นเสียแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วพิสษุทั้งหลายเที่ยววินทบาทไปในเวลาค่ำมืดยอมเข้าไปใกล้บ่อน้ำครามบ้างตกลงในหลุมโสโครก บ, บ้างบุกเข้าไปยังป่าน้าบ้าง เหยียบแม่โคที่กำลังหลับบ้างพบกับโจรผู้ทำจารกรรมบ้างผู้ยังไม่ได้ทำจรกรรมบ้างถูกมาทุคามชักชวนให้เสพสมบ้างขา้าพระองค์เองเที่ยวไปบินาบาบในเวลาค่า ม, มืดหญิงคนหนึ่งกำลังล้างภาชนะอยู่ได้เห็นขา้าพระองค์โดยแสงของสายฟ้าแลบแล้วตกใจกลัวร้องเสียงหลงว่าวายผีหลอก ผีจะมากินเราปีศาจจะมากินเราเนอดังนี้เมื่อหญิงนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์จึงได้พูดกับเธอว่าน้องหญิงนี่ไม่ใช่ผีปีศาจห ร, รอกเราเป็นภิกษุยืนเพื่อบิณฑบาตดังนี้หญิงนั้นจึงได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าพ่อของท่านคงตายแล้วหรือแม่ของท่านคงตายแล้วหรือท่านเอามีดคมๆสําหรับ เชือดโคเมื่อเชือดท้องของฉันจะ ย, ย่างดีกว่าการที่จะมาเที่ยวบินาบาตในเวลาค่ำมืด อ, อย่างนี้เพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ดีเลยดังนี้ข่าพระองค์เมื่อระลึกถึงเรื่องนั้นอยู่จึงได้คิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงกาจัดธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้ พระผู้มีพระภาคทรงนำ ร, รมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นนันมากให้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงกำจัดอกุศลธรรมเป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำกุศลธรรมเป็นอันมากให้เราทั้งหลายดังนี้พระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอุทายี ก็อย่างนั้นแหละโมคบมุรุษในธรรมะวันไหนนี้บางพวกเมื่อเรากล่าวอยู่ว่าจงละโทษสิ่งนี้เสียเถิดเขากลับกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าทำไมจะต้องว่ากล่าวเพราะเหตุแห่งโทษเพียงเล็กน้อยนี้เล่าพระสมณะนี้ช่างขูดกล่าวหนักเกินไปเขาจึงไม่ละโทษนั้นด้วยไม่เข้าไปตั้งความยำเกรงในเราด้วย อุทายีหนึ่งโทษเพียงเล็กน้อยของพิสุผู้ใครในสิกานั้นย่อมเป็นเครื่องผูกอันมีกำลังมั่นคงแน่นแฟนไม่เปื่อยง่ายเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่อุทายีเปรียเหมือนนางนกมูลไถ่ถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกคือเถาวัลย์หัวด้วนย่อมรอเวลาที่จะฆ่า หรือเวลาที่จะถูกมัดหรือเวลาตายในที่นั่นเองฉันใดแต่ปู่ใดกล่าวอย่างนี้ว่าเรื่องดักคือเถาวันหัวด้วนที่เขาใช้สำหรับดักนางนกมูลไถซึ่งมันรอเวลาที่จะถูกฆ่าหรือเวลาที่จะถูกมัดหรือเวลาตายนั้นเป็นเรื่องผูกที่ไม่มีกําลังบา บ, บางเปื่อยง่ายไม่มีแก่น เขาพูกล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะว่าเรื่องดักคือเถาวันหัวด่วนที่เขาใช้สำหรับดักนกบุญไถซึ่งมันรอเวลาที่จะถูกฆ่าหรือเวลาตายอยู่ในที่นั้นเป็นเรื่องผูกที่มีกําลังมั่นคงแน่นแฟนไม่เปื่อยง่ายเป็นเหมือน่อนไม้ใหญ่พระเจ้าข้าอุตายี ข้อ น, นี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละโทษในสิ่งนี้เสียโมคครรัมบุตเหล่านั้นกลับกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าทำไมจะต้องกล่าวเพราะเหตุแห่งโทษเพียงเล็กน้อยนี้เล่าสมณะผู้นี้ช่างขูดกล่าวกันหนักเกินไปเขาจึงไม่ละโทษนั้นด้วยไม่เข้าไปตั้งความยำเกรงในเราด้วยนหนึ่งโทษเพียงเล็กน้อย ของพิสูจนผู้ใครในสิกานั้นเป็นเรื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงเน่นแฟนไม่เปื่ยง่ายเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่อุฏายีส่วนกุลบุตรบางพวกในธรรมะวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้ว่าจงละโทษในสิ่งนี้เสียเถิดอย่งนี้เขาก็มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าทำไมเราจะต้องให้พระผู้มีพระภาค รัตว่ากล่าวด้วยเพราะเหตุแห่งโทษเพียงเล็กน้อยนี้ที่ควรละควรสละคืนเล่าดังนี้เขาย่อมละโทษนั้นด้วยเข้าไปตั้งความยำเกรงไว้ในเราด้วยอันหนึ่งพี่สูตทั้งหลายเหล่ใดผู้ใกล้ในสิขาพี่สูตทั้งหลายเหล่านั้นละโทษนั้นแล้วมีความขวนขวายน้อยมีขนตกสนิท คือไม่ขนพองเหยียวยาชีวิตด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจเป็นดุดมรุคตอยู่โทษเพียงเล็กน้อยของพิสุเหล่านั้นย่อมเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังเป็นของบอบบางเปื่อยง่ายไม่มีแก่นสารอุตายีเปรยอเหมือนช้างต้นที่มีงาอันงอนงามเป็นราชบาณนะอันประเสริฐ เคยเข้าศึกสงกรามควานช้างผูกช้างเชือกนั้นด้วยเครื่องผูกอันมั่นคงพอมันเยี่ยวกายไปหน่อยหนึ่งก็ทำเครื่องผูกนั้นให้ขาดหมดทำลายหมดแล้วหลีกไปตามปรารถนาก็นี้ฉันใดผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าช้างต้นนั้นที่มีงานอันงอนงามเป็นราชบานะอันประเสริฐ เคยเข้าศึกสงครามควานช้างผูกด้วยเครื่องผูกอันมั่นคงเหล่าใดพอมันเยี่ยวกายไปหน่อยหนึ่งก็ทําเครื่องผูกเหล่านั้นให้ขาดหมดให้ทําลายหมดแล้วหลีไปตามปรารถนาเครื่องผูกที่เขาผูกช้างต้นนั้นเป็นเครื่องผูกที่มีกําลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยง่ายเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่หนังนี้ ผู้ที่กล่าวอยู่อย่างนั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือก้อ น, นั้นถามไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะว่าช้างต้นที่เป็นราชบานะมีงางงอนงามเคยผ่านศึกสงครามมาแล้วเขาปลูกด้วยเชือกที่เป็นเครื่องปูกอันมั่นคงพอมันเอี้ยวกายไปหน่อยหนึ่งก็ทําเครื่องปลูกเหล่านั้นให้ขาดหมดทาลายหมดแล้วหลีกไปตามปรารถนาเครื่องปลูกช้างต้นนั้น เป็นเรื่องผูกที่ไม่มีกำลังเป็นของบอบบางเปื่อยไม่มีแกนสารพระชาข้าอุทายีกุลบุตรบางพวกในธรรมวิ น, นัยนี้ก็จะนนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวอยู่อย่างนี้ว่าจงละโทษนี้เสียเถิดเขาก็มีความคิดอย่างนี้ว่าทำไมเราจะต้องให้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสโทษเพียงเล็กน้อยนี้ ที่ควรละควรสละกคืนด้วยเล่าดังนี้เขาจึงลาโทษนั้นเสียแล้วเข้าไปตั้งความยำเกรงไว้ในเราด้วยหนึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่าใดผู้ใกล้ในสิกขาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นละโทษนั้นแล้วเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยมีขนตกสนิทเยี่ยวยาชีวิตด้วยของที่ผู้อื่นให มีใจเป็นดุดมรคตอยู่อุทายีโทษเพียงเล็กน้อยที่ควรละของพิสูจน์นั้นเป็นเรื่องผูกที่ไม่มีกำลังเบื่อง่ายไม่มีเกล็ดสารอุทายีเปรียบเหมือนคนยากไร้ไม่มีทรัพย์สินสิ่งใดเป็นของตนจัดเป็นคนจนไม่ใช่คนบั่งข้างเลยเขามีเรือนเล็กๆหลังหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องมุงบังและเครื่องประกอบอื่นๆที่ผูกพังหลุดดุยต้องคอยไล่นกไล่กาไม่เป็นรูปทรงบ้านมีแคร่อันหนึ่งก็ผูกพังแทบไม่เป็นแค่มีข้าวเปลือกและเมล็ดพืชสำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันธุ์ดีมีภรรยาคนหนึ่งก็ไม่สวยเขาเห็นภิกษุ ผู้อยู่ในอารามมีมือและเท้าอันล้างสะอาดสะอา้านแล้วฉันโภชนะอันน่าอร่อยนั่งอยู่ในสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายจเจริญธรรมะฝึกสมาธิเขาชมพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าความเป็นสมณะ น, นี้น่าสุขสบายจริงหนอความเป็นสมณะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนอเราควรจะกนผมและหนวด รองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบ้างหนงนี้แต่เขาไม่อาจสละเรือนหลังเล็กที่มีเครื่องมุงบั ง, งและเครื่องประกอบอป่นๆนผู้พังหลุดดุยต้องคอยไล่นกไล่กาไม่เป็นรูปบ้านไม่อาจะละแคร่อันหนึ่งที่ผู้พังไม่เป็นแคร่ไม่อาจะละข้าเปลือกและเมล็ดพืช สำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันธีไม่อาจจะละภรรยาคนหนึ่งซึ่งมีรูปไม่สวยแล้วโกนผมและนวดนุ่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนได้กุธายีผู้ใดกล่าวอยู่อย่างนี้ว่าเรื่องผูกที่ผูกบุตษนั้นผู้ไม่อาจจะละเรือนหลังเล็กๆมี เรืองมุงบังไม่สมประกอบมีแค่ที่ผูกพังมีข้าวเปลือกที่ไม่ใช่พันดีมีภรรยาที่มีรูปไม่สวยแล้วตะโกนผมและหนวดออกบวชจะเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกําลังบอบบางเปื่อยง่ายไม่มีแก่นสารดังนี้ผู้ที่กล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ขแต่พระองค์ผู้เจริญ ก้นนั้นหาไม่ได้พระชจค่ะเพราะว่าเครื่องผูกที่ผูกบุรุษนั้นผู้ไม่อาจจะละได้แม้แต่เรือนหลังเล็กหลังนั้นซึ่งมีเครื่องผูกไม่สมประกอบไม่อาจจะละแค่ที่ผูกพังแทบจะไม่เป็นแค่ไม่อาจจะละข้าวเปลือกหรือเมล็ดพืชสำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันธดีไม่อาจจะละภรรยาคนหนึ่งซึ่งมีรูปไม่สวยแล้วคนผมและหนวด กรองผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนได้จัดเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยง่ายเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่พระโชค่าอุตายีข้อ น, นี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันละ่ะหรือเปรยียบเหมือนพรรมบดีหรือบุตรของขรรมบดีผู้หนึ่งผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีสมบัติมากสะสมทองไว้หลายร้อยแห่งสะสมเข้าเปลือกนาที่ดินภรยาทาดทั้งชายและหญิงไว้เป็นอันมากเขาเห็นภิกษุผู้หนึ่งอยู่ในอารามมีมือและเท้าล้างสะาสะอ้านฉันโพชนะล้วนน่าอร่อยนั่งอยู่ในสถานที่ร่มเย็นสบายเจริญธรรมะ ฝึกสมาี่อยู่เขามีความคิดอย่างนี้ว่าความเป็นสมณะน่าสุขสบายหนอความเป็นสมณะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนอเราจะโกนผมและนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนบ้างอย่งนี้เขาอาจจะละทองหลายร้อยแห่งละข้าวเปลือกนาที่ดินภรยา ถ้าทั้งชายและหญิงเป็นอันมากแล้วก้นผมและหนวดนุ่งห่มผม้ายอมนำําดออกจากเรือนบวเป็นผู้ไม่มีเรือนได้ในกรณีอย่างนี้ถ้าผู้ใดจะบึงกล่าวอย่างนี้ว่าเครื่องผูกที่ผูกก็ได้บดีที่เป็นทองหลายร้อยแห่งเป็นข้าเปลือกนาที่ดินภรยาถ้าทั้งชายและหญิงเป็นอันมาก แล้วคนผมและหนวดนุ่งผมผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนจัดเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นหนาไม่เปื่อยง่ายเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ดังนี้อุทายีพูดที่กล่าวอยู่อย่างนี้เชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่้อนั้นหามไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะว่าเครื่องผูกที่ผูกขนาดพดี ผู้ที่อาจจะละทองหลายร้อยแห่งเป็นต้นนี้จัดว่าเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังเป็นของบอ บ, บางเบื่อยง่ายไม่มีแขนสายพระเจ้าข้าอุตายีข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวอยู่ว่าจงละความผิดนี้เสียคุลบุตรบางพวกในธรรมะวิ น, นัยนี้ก็มีความคิดว่าก็ความผิดเพียงเล็กน้อยนี้ที่ควรจะต้องละ ควรจะต้องสละคืนทำไมเราจะต้องให้พระผู้มีพระภาคมากล่าวโทษเพียงเล็กน้อยนี้เล่าดังนี้กุลบุตรทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมละโทษเหล่านั้นด้วยเข้าไปตั้งความยำเกรงไว้ในเราด้วยพิสูจน์เา่าใดผู้ใกล้ในสิกขาพิสูุนทั้งหลายเหล่านั้นละโทษนั้นแล้วเป็นผู้มีความขนขวายน้อยมีขนตกสนิทเยี่ยวยาชีวิต ด้วยของที่ปื่นให้มีใจเป็นดุดมฤคตอยู่อุตายีโทษเพียงเล็กน้อยของพิสูจน์เหล่านั้นเป็นเรื่องผูกไม่มีกาลังเบอ บ, บางเป็นของเปื่อยง่ายไม่มีแขนฉันอุตายีบุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อละความยึดถือเพื่อสละเสียซึ่งอุปธิทั้งปวงแต่ความดําริที่เล่นไปอันประกอบด้วยอุปธินั้นยังครอบงําผู้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสละคืนซึ่งอุปธินั้นได้อยู่ผู้นั้นยังรับเอาความดํารินั้นไว้ไม่สละทิ้งไปไม่ถ่ายถอนไม่ทําให้สิ้นสุดเสียไม่ทําให้ถึงความไม่มี เราเรียกบุรุษนี้ว่าเป็นผู้อันกิเลสประกอบไว้ไม่ใช่ผู้อันกิเลสกลายแล้วข้อนั้นพระเห็นไว้แล่าเพราะความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคล น, นี้เรารู้แล้วอุทายีส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละความยึดถือสลัดคืนเพื่ออุปธิทั้งบวง ความดำริที่เล่นไปอันประกอบด้วยอุปธินั้นยังครอบงำผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสละคืนซึ่งความยึดถือนั้นได้อยู่แต่ผู้นั้นไม่รับเอาไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดเสียทำให้ถึงความไม่มีได้แม้บรุษผู้นี้เราก็กล่าวว่า ผู้อันกิเลสประกอบไปไม่ใช่ผู้อันกิเลสคลายแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคล น, นี้เรารู้แล้วบุทายีส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละความยึดถือเพื่อละอุปฏิตั้งปวงและความดำริที่เล่นไป อันประกอบด้วยอุปธินั้นก็ยังครอบงมผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสละซึ่งความยึดถือ น, นั้นได้อยู่และเพราะความหลงลืมแห่งสติในบางครั้งบางคราวความนัมริที่เล่นไปอันประกอบด้วยอุปธินั้นก็ยังครอบงมผู้ปฏิบัติเพื่อละความยึดถือนั้นได้อยู่แต่ความบังเกิดแห่งสติช้าไป ที่จริงเขาละบรรเทาทำให้สิ้นสุดเสียทำให้ถึงความไม่มีซึ่งความดํารินั้นอันจับพลันอุทายีเปรียบเหมือนบุรุษเอาหยาดน้ำสองหยาดหรือสามหยาดหยดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนอยู่ตลอดวันหยาดน้ำตกลงช้าไปความจริงหยดน้ำนั้นถึงความสิ้นไป แห้งไปนั้นยังเร็วเสียกว่าอุทายีฉันใดก็ฉันนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ปฏิบัติเพื่อจะละความยึดถือแต่ความดำริที่แล่นไปอันประกอบด้วยความยึดถือนั้นก็ยังครอบงำผู้ปฏิบัตินั้นอยู่เพราะความหลงลืมแห่งสติในบางครั้งบางคราวความบังเกิดขึ้นแห่งสติช้าไปที่จริงเขาละ บรรเทาทำให้สิ้นสุดเสียทำให้ถึงความไม่มีซึ่งความดำรินั้นได้โดยฉพรันถึงบุคคล น, นี้เราก็กล่าวว่าผู้อันกิเลสประกอบไว้มิใช่ผู้อันกิเลสคลายแล้วข้อนั้นพระเหตุไรเล่าเพราะความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคล น, นี้เรารู้แล้วกุฏายีก็บุคคลบางคนในโลกนี้ รู้ว่าเป็นจะขันคือขันทั้งห้าอันชื่อว่ามีความยึดถือเป็นบุญแห่งทุกขนันรู้ดังนี้แล้วเป็นผู้ไม่มีความยึดถือแล้วน้อมจิตไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิทั้งปวงบุคคลนี้เรากล่าวว่าผู้อันกิเลสคลายแล้วมิใช่ผู้อันกิเลสประกอบไว้ก็อนนั้นพระเห็นไปเรา เพราะความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคลนี้เรารู้แล้วกุตายีบุคคลสี่จำพวกนี่แหละปรากฏมีอยู่ในโลกกุตายีการมกุลห้าอย่างมีอยู่คือรูปที่รู้ได้ด้วยตาเสียงที่จะพึงรู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้ได้ด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้ได้ด้วยลิ้น ผลพระที่จะปึงรู้ได้ด้วยกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจใรักเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความกำหนัดย้อมใจกามาคุณห้าเหล่านี้สุขโสมนัสอันใดที่อาศัยกามาคุณห้าเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นเราเรียกว่ากามสุขเป็นสุขอันเกิดจากเมถุน เป็นสุขของปุถุชนไม่ใช่สุขอันประเสริฐเรากล่าวว่าความสุขนี้บุคคลไม่ควรเสพไม่ควรทําให้มากไม่ควรเจริญเป็นความสุขที่ควรกลัวส่วนเธอผู้ใดในธรรมะวัยนี้สงัดจากกามและอกุิสาธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานและเพราะความที่วิโตกวิจารณ์รไป จึงเข้าถึงตุติยฌานและเพราะความที่ปีติจางหายไปเป็นผู้อยู่เบิกขาจึงบรรลุฌานที่สและเพราะความที่ละสุขและละทุกข์ได้จึงบรรลุชานที่สนี่เรียกว่าความสุขที่อาศัยในขัมมะเป็นความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบระงับ เป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ป้อมเรากล่าวว่าความสุขชนิดนี้เป็นสิ่งที่กวนเสบ็บกวนแต่ไม่มากควนเจริญและเมื่อพิสูจน์ในธรรมะวินนี้สัดจา ก, กรรมและอคติสธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ปฐมฌานนี้เรากล่าวว่ายัางหวั่นไหวก็ในปฐมฌานนั้น ยังมีอะไรวันไหวคือการที่วิตกวิจารในปฐมฌานนี้ยังไม่ดับเป็นความหวันไหวในปฐมฌานนั้นและเพราะความที่วิตกวิจารสงบระงับไปพิสุทนั้นจึงบรรลุฌานที่สองแม้ฌานที่สองนี้เราก็กล่าวว่ายัางวันไหวก็ในฌานที่สองนั้นยังมีอะไรวันไหว คือการที่ปีติและสุขในตูติยะฌานนั้นยังไม่ดับเป็นความหวั่นไหวในตูติยะฌานนั้นและเพราะความที่ปีติจางหายไปเธอนั้นจึงเป็นผู้อยู่เบกขามีสติบรรลุชานที่สามอยู่แม้ในชานที่สามนี้เราก็กล่าวว่ายังหวั่นไหวก็ในชานที่สามนั้นยังมีอะไรหวั่นไหว คือการที่อุเบกขาและสุขในตาติยะฌานนั้นยังไม่ดับเป็นความหวั่นไหวในฌานที่สามนั้นและเพราะลาสุขและทุกข์ใช้ได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอนั้นจึงบรรลุฌานที่สี่อยู่ฌานที่สนี้เรากล่าวว่าไม่หวันไหวและจากนั้นได้ตรัสกับท่านพระอุตายี ถึงการไม่อะไรในชานที่หนึ่งเพื่อเจริญชานที่สองการไม่อะไรในชานที่สองเพื่อเจริญชานที่สามเป็นต้นจนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทายตานิโรธท่านพระอุตัยเมื่อฟังพุทธธรัดนี้แล้วมีความชื่นชมยินดีในภาษีของพระผู้มีพระภาคเจ้าและละกุกิโกปะมาสูตร ฟังธรรมคำพุทธะ